ไม่มีสภาพความเป็นบุคคลสิ่งที่เปิดเผยตามจริงแก่จิตคือส่วนของรูปประธรรมที่เคลื่อนไหวได้กับส่วนของนามรธรรมที่แปรปรวนได้ที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าและเข้าใจว่านี่คือฉันล้วนเป็นเพียงอุ ป, ปาทานไปเองทั้งนั้นช่างเป็นการเห็นความจริงที่แปลกประหลาดดีแท้สภาวะเหล่านั้น